แต่เทวดาที่ไปจําที่เป็นใสนั้นบอกว่าเช่นไปก่อนเธ อ, เ, อนนเมื่ออมิโมธนาแล้วเป็นอย่างไรขอให้มาบอกเล่าให้ฟังด้วยอย่างนั้นคือเทวดาเป็นใสนั้นไปนด้วยไปแต่เทวดาองค์ อ, อื่นที่จอนมาพอไปอนนมิโมธน า, าพวกศรัทธาเจ้าของกระถินแจกเล่าแจก๊ก ตีลคนมาในงานเมาอระทึกนึกนองลืมตาไม่ขึ้นพูดลั่นเหมีอนตามสงบเงียบเหมือนปฏิบัติตามเรื่องของธรรมพอถวายแล้วอนุโมทนาแล้วก็กลับมาแต่บุรุษคนนั้นอยากจะทราบว่า เรื่องถวายกับถิ่นเป็นอย่างไรเขาก็ยังไม่หนีไปจากโอมไซคอยเทวราดาองค์ที่ไป อ, อนุโมทนากลับมา ก, ก่อนจะมาพูดกับเทวราดาที่อยู่ต้นไซนี้ว่าอย่างไรพอกลับมาถึงต้นใจตรงเทวรดาที่ไปจำที่ไปถามว่าเป็นยังไงแต่ถิ่นเข้ามาหาเสร็จผีสีทําไปเขาบอกว่าแต่ถิ่นเน่า ทำไมจึงเน่าเพอากินไหล่กินยาเอกระเลยใช้หาฮโกรางหุนไม่มีความสางบสันติม่ปฏีบัานตามอาตามทำเล ย, อ, อ, เยอย่างนั้นเพราะว่าโดยยินอย่างนั้นแล้วเทวดาคนนี้ไปไอ้คนคนนี้ต็มาเล่าให้เกิดขีดเกของศรัทธาฟังเกิดขีก็เสียใจอ๋อเราทำใหม่เพราะขระเเงนินทองเราไม่อดทาอีกกองที่สอง ราวนี้จะมีส่องเอาเล่าเอาอย่างมาเกี่ยวข้องแต่เท่ากขาวัวาขาควายขาหมูขาไก่กันอย่างใหญ่อย่างโตคนมาในงานฝึกหยิบน้ำสํำรานทำกันอย่างเต็มที่ใครมาก็ชินกันไม่ได้คิดถึงการทำอย่างนั้นมันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเขาทำไปเพอ เขาไม่อดยาทาไปเดือดอาเภอใจทาไปเดือดซ้าเห็นของตกตกไปทางตาทิพยตยคือทำใเดือดวามชอบใจของตัวเมื่อถึงถ้าทอดเอเจตถีก็ให้รางวัลแก่คนนั้นไปคอยดักฟังดูอีกเทวดาก็จะทำหนีนินทาหรือสัาสอย่างไรเราจะให้รางวัลแก่ท่านอย่างงม ถ้าได้ซ้ำจากเทวดามาบอกกับเราคนนั้นก็ยินดีจนใจไปอีกไปดักอยู่ตนนสายต้นเก่าจะถึงเวลาทอดจะกลับให้เทวดาดามาโนทนามาอีกเทวดาองค์นั้นก็ไม่ไปไม่ม้อีกมากับเทวดาองค์ยื่นอีก่จะบอกว่าขากลับทอดเสร็จอนเมรุธนาเสร็จ เมาแวะเล่าในฟังหน่อยอย่างนั้นพอเขาถอดเสร็จออมา เ, เาล่าลกับจิ้มเน่ากับจิ้มเทานี้กับจิ้มเทาก่อนกับจิ้บูดกับทิ้มฟังคสองกับิ้เน่าพอได้ยินว่าคนกระจิ้เน่าคนที่มาดักฟังขอไปเล่าให้เสร็ทีฟังเร็จีก็เสียใจอีทงอีกเสียจะแกไข เพราะในยังคนจัดกีดจัดขินยังอยู่ในการจัดขินเขาก็ทำกันรีบเดวนเพราะกลัวรันเวลามันจะหมดไปมันจะได้ทันกับการกับสมัยทำคราวนี้ด่าใช้คนใช้แพทดกรรมกรต่างๆนานาไม่ทันใจก็ดาเอาดุเอา เจตพีมีความโกรธในจิตในใจเพราะชายคนไปทำอันนั้นทำอันนี้ไม่ถูกใจกระดาษไปว่าถึงดันเวลาไปทอดคราวนี้มันมีเหล้ามันมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาหารการกินต่างๆที่จะไปถวายพระเจา้าพระสงฆ์ก็ใจไมาจ่ากตลาดมันเลสั่งมาข่ามาทำที่บ้านเหมือนก่อน คืเอาสิ่งที่บริสุทแล้วมาทำไม่ลยเอาจับเซนมาข่าไมาเลยเอาเวลามาแฉไม่ดีแต่เขาดูด่าโกรธคนอื่นถ้าไปทอดก็หายรางๆๆวันแต่คนนั้นไปดักสร้างอีกเคกระดามาเคื่อนเคียวกระดาที่เป็นใส่เคียวระดาองคเป็นใส่ตรงมาอีกเหมืนเก่าข้าจับขาเซนอย่างไรเคลืนมาแล้ว อนุโมนาก็บฉินแล้วเทวดาเมื่อได้รับอนุโมทนาก็มาแวะมาบอกเล่ากว่ากับินเศรษีทางนี้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดบเสียอย่างคือเป็นกระฉินใส่หมอนเพรจิตใจของเศรษฐีในบริสุทธิ์โกรธหลังนะคนไปบอกให้เศรษีฟังเศรษฐีต้องหานหลังวันเสียใจ เขาทำมาสามครั้งแล้วไม่มีกระจินอะไรที่บริสุทธิผุดผองฮห้ก็เลยทำอีกครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เขาทำดีไม่โกธรใครเวลายาเมาก่อมันเลเอามาเดียว้องตัดก่อมันเลเอามาค่าทำอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ทิ้งรันทิ้งเวลาไปถอดประกาศให้ทพ่อกาดาัดามาเอาโนมวนาอีก เทวดามาหนุงโง่นาข่าวนี้กลับไปเล่าสู่เทวดาองค์ที่อยู่บนใตฟังวัดกระชิมบริสุทธิ์เนี่ยกะชินที่พูดกันในสมัยคนโบราณพูดแบบนี้กระชิมบิดกระชินเน่ากระชิมเต่หมองกระชิมบริสุทธิ์ี่หมายถึงการทำของจุดยีคนเดียวที่ทําอย่างนั้น ทำแบบที่บูดมันก็บูดทำแบบที่เน่าล้วก็เน่าทำแบบใส่หมอนมันก็ใส่หมอนทำบริสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์เพราะอยู่ในจิตในใจของคนที่ทำบูดเน่าใส่หมองหรือบริสุทธิ์นะใช่มันเกิดจากที่อื่นมีาเราไม่ทำอย่างนั้นเราทำตามธรรมาทิพย์ไตรที่พระพุทธเจ้ า, จาทรงมั่นยัดเอาไว้ทำไปให้ถูกต้องตามธรรมดีไหม จิตใจของเราเหลี่ยนสายจิตใจของเรายินดีที่จะทําเพราะไม่ใช่ทาบอกเล่าไม่ใช่ท่านบังคับบัญชาเร า, ท, า, า, าทําตามกําลังศรัทธาทําตามความสามารถของเร า, า, าเราไม่ได้ไออเหล่าออยาไม่ได้เอาเรื่องเอกราชเฮาเรื่วนอื่นมาเกี่ยวข้องเราทําแบบสงบสงัดปฏิบัต ให้ถูกต้องตามธรรมี้วยในอนุสงค์ที่เราทำไปจึงเพแบบ้่มบูรณาสุขเราจึงควรตุ่นจิยินดีในตามแต่ทำบำเพ็ญคงตนพอทำแบบนี้เป็นทรตามโอวาทผู้พษษาษาทุทธเจ้าทรงสอนในธรรมเอาโลกาที่ประจายโลกก็ททำอย่างไรแลาหน่นทำไปตามโลก ให้เดี๋ยวเอาอัตตาที่ผิดไปแต่แเรามีความเห็นอย่างไรจะถูกทำดีใ น, นหรือไม่ช่างมันเพราะเรามีหน้าที่จะทําเราจะทําไป ต, ตามความต่องกางของเรานี่เป็นอัตตาที่ผิดไปถ้าทำมาที่ผิดไปแล้วจะทําไป ต, ตามอัตตารทำถีถ่พระพุทธเจ้าสอนมีกุ๊กท่านพุทธาสาวตัวนิกก้กชิญจิเป็นตัาภาพขอทําตามทำมาที่ผิดไป ไม่มีอะไรยื่นเกี่ยวเอกเลือกูรางเหวินทำตามผี่พระพุทธเจ้าทรงแง่ทรงสอนจึ่งเกิดอนิสงส์มากมาในจิตในใจในทบต่อไปขั้งตนหยิบเกิดขึ้นเรื่องเกิดขึนที่ท่านเล่าเอาไว้เป็นปะลัมปะละจํากันมาแต่อนิสงส์ทั้งเกิดขึนนั้น มันมีมากคนที่เคยทําอนิสงส์ในสมัยพุท ธ, ธกาลในสมัยเก่าก่อนทางกล่าถึงกัจจุาบานที่ทํากับถิ่นกับมหาเศรษฐีมี อ, นนอานิสงส์ปัจจุบันแต่ก่เ็นมีอา น, นิสงส์อย่างนั้นเพราะเขาทากันจริงจังมหาเศรษฐีเขาทาบุญจองกับถิ่นจะทอดกับถิ่นในบ้านมหาเศรษฐีก็มีคนจํำนวนมาก จุตนบบางคนนี้เม่มีวิชาความรู้อะไรก็เลยไปอาศัยปฐีจะให้ทําการทํางานหาที่อะไรเขาเป็นอย่ีวิชาความรู้จุตนับบางคือหมายถึงดวงที่รักษาเวนือนาดายาให้มาหาผีแต่ละวันผีก็ให้ข้าวพอได้อยู่ได้กินเป็นมันดันไปเท่านั้น ไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรถ้าเขาอยากเฉลิเฉลิมใจเด็กกินวันก็เป็นพอของเขาเขาอยู่กับมหาเศรษฐีถึงการัึงเวลาจะกินข้าวเสรจฐีจะทำงานใหญ่โตเขาก็สงสัยว่าเอะท่านเศรษฐีทําอะไรกันแบบนี้จะก่อนเก่าไม่เคยเห็นทำแบบนี้จะทำบุญเพื่อทานอะไร เศรษฐีกว่าจะทอดกระินเอกรถินนี่มันมีอริสงอย่างไรเขาก็ ส, น ส, ส้นใจถามเศรีวมีอริสงสงยิ่งใหญ่การธามหากระถินเขาก็ยินดีเต็มใจมีศรัทธาแต่เทว่าเขาไม่มีอะไรที่จะอนุโยนากับมหาเศรษฐีเพราะไม่มีเงินทองเข้าของก็ไม่มีนี่ภาคเพลนเดียวจปนหนึ่งอยู่เท่านั้น เราจะทําอย่างไรเราเกิดมาอดอยากเสีนเช่นใจไร้ทับอัปัญาถ้าชากเก่กาก่อนแล้วไม่เคยทาบุญชุนทานอะไรมารเราจึงทุกข์ยากอนาถาอย่างนี้จิตใจมันคิดวกไปอย่างนั้นอยากจะทําบุญทําูุฝนร่วมกับมหาเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งแต่คิดหาอะไรไม่มีที่จะทําก็เราวห็นแต่ผ้าสีเบอรหนึ่งอยู่คนเดียวเท่านั้นโดยเปลืองผ้า อนงยู่หาโดยไม้มะกัดหนึ่งเป็นผ้าแล้วนำไปซักฟอกขายในท้องตลาดในเงินเตียงบาทเดียวเอามาอนโมธนาจะมหาเศรษฐีก็พอดีเข้าของโดยฐานทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่ไปขาดดู ได้เย็บผ้าไม่มีลืมซื่อมาเงินบาทนั้นเขาก็ไปคือได้มาเป็นได้เย็บผ้าพอจะเสียสละไปสมาเหตุทีเท่านั้นเทวดาในหมีโลกกระถาส้องสันละเอียดเสียงเอกราเหวี่ยงเราหุนซึ่งไมเคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเสียงอย่างนั้นทั้งทั้งทีหนึ่ง เหเมื่อเห็นตัวอะไรเตื่เสียงนั้นดังลั่นขึ้นเสียงสาธุการจากการให้ทานกีนบานทําไปเงินบาทเยอเสียงเสียงนั้นลั่นเข้าไปในราชวังของพระเจ้าแผ่นดินถามถึงว่าเสียงอะไรพระเจ้าแผ่นดินก็ตกควาไทยอยากจะเกิดยรื่งอะไรใหญ่โตขึ้นเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงแบบนี้ ก็เลยถามเรื่องต่างๆสื่อสาวกันไปโดยท่าดวาเป็นเทวดาอนุโมทนาแต่ถิ่นจากกินนาบานคือเสียสลักผ่านหนึ่ทของตัวเอาไว้ไม้มักกัดนึ่งแทนภาอนุโมนาร่วมการแต่สินจากมหาเศรษฐีถห้ใจคนยินดียินอย่างนั้นก็ยินดีอยากจะพบหน้ากินนาบาน ให้เขามาหา จ, หจา้าราชสถานพรราชสถานสิ่งของให้แต่กินน้า บ, บานเขาก็ไม่กล้าที่จะเขามาให้จะรัะบบุญในราชสวังไปเกี่ยเชิญเขาก็มีทานุ่งทางห่มจะเข้ามาเนี่ยราชสวังมาหาพรเจ้าจอยู่หัวกบกลัวละอายพระเจ้าจอยู่หัวให้คนไปเชิญมาอย่างนั้นเขาม่มา สั่งเสียมาว่าม่มีผ้าที่จะมุ่งเข้าไปก็จะผอยินกูพระราษทานผ้ า, ท, า, า, ท, าที่สวยงามให้แกเขาเขาจึงมาในราชสว่างแล้วก็ขอซื้อบุญกุศลจากจินนาบานจินนาบานไม่ยอมขายจะซื้อเทอะให้เทอะไมาขายขายบุญขายกุศลที่ตนทาไป พระเจ้าเถ่นยินก่อนม่มีขวบบรรพบรรชาคือจะเขาขายได้เนะเขาก็มาขาให้แต่ถ้าจะอนุโทนาด้วยเขาให้อนุทนาพระเจ้าเถ่นยินก่อนเลยอนุโทนาด้วยและจัดสิ่งของต่างๆนานาจนจิ้นนาบานจนมหาเศรษฐีในชาติตจุบันเพราะพระเจ้าเถ่นยิน พระราชทานเขาของเงินทองให้มีอายุสูงในปัจจุบันที่เขาทำกันอย่างจริงใจนอกจากนั้นเมื่อเขาหมดอายุสังขารตายตาจากชาติมนุษย์เขาก็ไปเกิดเป็นเถพระบทหรู่ในสวรรค์มีผู้ถึงตำแหน่งตาราอายุสูงของกระถิ่นพวกเราท่านก็ไในสากว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนจะเป็นจริงหรือไม่ อาจจะมีความสงสัยกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อเราเด็ดทำลงไปเด็ดศรัทธาความเชื่อความหลงใฝ่ทำไปเด็ดทำยินดีเต็มใจนั่นแหละสวรรค์สีใจของพวกเราแผ่นมันฝุ่มันสบายเยือกเย็นภายในแทนจรงว่าสวรรค์อยู่ในอกในลึกอยู่ในใจในเดือดร้อนวุ่นวายในเหมือนไฟไหม้ในเหมือนเต็ลักไป พอเราทำด้วยความเชื่อความเยอนใส่ทำด้วยความยินดีเต็มใจเต็มสวรรค์เราลึกขึ้นเมื่อใดที่เราทําไปใจของใส่ใจเยือกเย็นใจเป็นสุลลขมีสวรรค์ที่เราท่ใจใจนนนทานจะทราบกันเมื่อใจเป็นสุขใจสบายใจเยือกเย็นอย่างนั้น แล้วจากโลกไปเพราะความดีความเด่นความเยอกเยยนความสุขในใจเราก็ไปสู่สุขคติถึงเราไม่เคยรู้เคยเห็นวับสุขคติอยู่ที่ไหนการดีที่เราสะสมเอาไว้จะนำไปเหมือนกันกับเราไม่เคยเห็นนรกเอาวุธีว่ามันทุกข์ยากลาบากขนาดไหนแต่คนที่ทำชั่วทำเสีย เราเคยไปเคยเห็นการเบินจิตเขาทำไว้ก็ไปได้ไปถูกพูดง่ายๆอย่างเห็นกับตาสมัยปัจจุบันทุกวันนี้คนที่ทำชั่วทำเสียถึงไม่เชื่อว่าคุกตรางมีห้องขังมีแต่เขาข้าซีลักขโมยปล้นจี้คนเหล่านี้จะไม่เชื่อ คอื่นท re ี่เขาดูเขาเห็นจะทําไม่ดีอย่างนี้เขาจะมาจับคุมคุมตัวเพจิตคุกจิตตารางนะไม่เชื่อว่ามีคุกมีตารางก็ตามเมื่อเขาทำไปเลยไม่ถอยก็เดินเข้าจังอาัดี่จับไปเกี่ยวตนเป็นอย่างไรเทขาก็เคยใส่เคยมีมาก่อนเขาก็จะเห็นห้องขังตารางเป็นอย่างไรเขาก็จะเห็นด็ตัวของเขาเองเพราะความชั่ว ที่ตัวทำไปให้ผลนี่นมารกในชาติัจิุบันพอเห็นกันได้ฉะนั้นการทาดีทำชั่วอย่าไปคิดว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไมไ่ชั่วอย่างภาษานักศึกษาปัจทุบันทุกวันนี้เคยได้ยินว่าทำดีได้ดีีที่ไหนทำชั่วไดีมีถมไป ไม่ทราบว่าเขาเอาภาษาอะไรมาพูดถ้าพูดแบบนี้ยังคนที่จะทำดีมันก็ไม่มีจิตมีใจจะทำให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายจะทำให้โลกทำชั่วทำเสียสัตว์ในโลกไม่มีจิตมีใจอยากทำดีพอทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนทำชั่วด้ดีมีผมไป เขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงเข้ามาเด็ที่นี้ที่ใจงาตามเป็นจริงถ้าหากเขาจริงที่จงาตามเป็นจริงเขาจะทราบเพราะความดีทําดีนั้นมันจะได้ผลตอบแทนเขาทําชื่อที่เขาทําชั่วไปผลกวจะตอบแทนเขาอีกเหมือนกันเช่นเขาเป็นนักศึกษาเหล่าเรียนได้เป็นข้าราชการเขาหนศึกษา ตองเรียนอะไรต้องสอบเขาจะตกหรือเขาจะได้เพาเขายังมีความรู้ในเคยศึกษาไม่ตัางหน้าต่างตาทำความดีอะไรต้องสอบหรือได้คะแนนสูงกว่าเขาเคยมีมั้ยม่รู้อะไรจะสอบหรืเปครูอาจารย์ในโรงเรียนให้คะแนนเขาเรื่อนสั่นเรื่อนภูมิของเขาขึ้นแล้วเขาดีเขาเด่นเขาจะการน ทำงานมีกต่ส่องเกี่ยมุกเดียวเท่าตาลานในเอา่านอะไรนไปทาการทางานตามหน้าที่คงต้นถึงการถึงเวลาเขาจะเรื่อนขั้นราชการให้ได้เนเรื่อเนเดือนก็ดีเรื่องขั้นรับก็ดีเขาเคยรายงานไหม ผมไม่เคยไปทํางานราชการอะไรพบนี้ไปกินเหล้าเมายาไปเอก็เลยเคยหาไปเที่ยวทีนั้นทีนี้เขาเคยรายงานไปอย่างนั้นไหมที่ขอขันพบภูมิจักจากนายผู้ใหญ่ไม่เคยเขียนไปโยความดีของเขาเขาจึงเหนื่อยล้นเป็น ท่านนั้นท่านี้คุณไปไม่ใช่เขารายงานชั่วเขารายงานทำดีถ้าหากเขารายงานชั่วเละอย่าไปหวังว่าเขาจะมีเงินเดือนเลื่อนขึ้นเนอกจากเขาจะตกเก้าอี้ของเขาเท่านั้นนี่มันก็พอทราบได้ว่าทำดียังมีผลดีตอบแทนทำชั่วยังมีผลเชื่อตอบแทนไม่เชื่อไปที่ไหนด่าเขาด่าไปตีเขาด่าไป เขาจะด่าเราตอบตีล้วตอบหรือไม่ด้วยเขาจะถือว่าเรานี่ดีด้วยเ่อมแล้วไปสถานที่ใดดีเขาส่งเยอเกินด่าเขาส่งเยอะเคินเขาจะทํามาเฉยเฉยเฉยมันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อทําอย่างนั้นเขาจะต้องด่าตอบตีตอบถ้าไปว่าเขาทำความดีแก่เขาเขาเลยจะต้องว่าเราตอบนี่ความดีบาปบุญยังเหนผลไปจากไม่ใช่ว่า บาบุญดีญชั่วมันปุนไปตามวมปากของคนมันมีเหตุมีผลของมันเราทุกท่านจึงควรเชื่อมันทำกันในสิ่งที่ดีถึงแม่ผลผลปัจจุบันทันตาเขาเหมือนกันเราเสริญโยนยอก่อตามแต่จิตใจของเราที่ทำไป๋ยวความวิดุดกายวิุดใจของตัว เรามีความสุขความสบายอย่าไปคิดเขาตำหนิยินทาอย่างนั đi, th th đi, ้นอย่างความดีที่เราทําไปเขาไม่เห็นของเราเขาตำหนิเป็นลมปากของเขาแต่เราได้ทําดีแล้วเราดีใจเราบริสุทธิ์ใจนี่คือความดีแห่ผลมีคนที่ทําดีจึงควรที่นิพพย์เจริมาสะสมคุณงามความดีเอาไว้ อยาไปคิดว่าเราเกิดมาตายไปหลยศูนย์ไม่มีอะไรคุณงามความดีที่ทำไว้มันก็สูญไปเพราะคนเกิดมาไม่เคยได้ยินใครมาบอกผูดเจ้าวะ่ะเดี๋ยว ย, วยวินเลยกูสูญที่ได้ทำไว่อย่างนั้นอย่างนี้ที่หนูมาเกิดเป็นมนุษย์มันคนมันขี้ลืมพบชาติกว่าจะมาถึงมัน นานๆอยากจะมาเกิดหรือมาเกิเร็วกว่าตามมันก็หลงลืมได้ไม่ต้องพูดถึงพบชาติคือมันมนานๆไปขนาดนั้นใจเช้าวมานี้เราหายใจอะ้รสี่ทีมานั่งอยู่นี้เยอะนี้เพีถามแต่นี้ถ้าถนที่าหายใจอยู่ล้วก็ไม่ทราบว่าเราหายใจ ออกกีทีเท่ากี่ทีการคิดนิดของเราผูดจารของเรากีคาวันนี้เดินไปกี่กา้าวเพี่ยงถามถนนี้ก็จะติดกันถ่วไปเพราะความลืมความไม่เอาใจใส่ความคาดก็เหมือนกันมันลืมไปได้มันหลงไปได้สัญญานิจจ่ถ้าหากตายแล้วไม่เกิดทำไมคนมันเป็นโลกอยู่มันมาจากอะไร ให้พี่เจนะให้เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านสามารถในส่วนคนมือบอดอย่างพวกเราท่านสอนด้วยความบริสุทธิ์ท่านมีความเห็นพยายนั้นแจ่มแจ้งว่าสัตว์ที่ทําดีแล้วจะได้ไปสู่คติอันดีคติที่งามสัตว์ที่ทํำชั่วแล้วจะได้ไปสู่ที่ชั่วที่เสีย ถ้ามีพระเนตตาตุณนาสงสารสัรโลกถ้าจริงมาแนตสอนโดยบริคิดมูลค่าสาระอรไรถ้าใครเชื่อใครเลื่อนใสนใจประพฤติปฏบิบัติตามธรรมที่ท่านสอนคนนั้นก็จะมีความสุขความสบายถ้าคนใดไม่เชื่อไม่เลื่อนใสเอาแต่ทิกคีมานะที่เหลือปัญหาของใจ เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าคนนั้นจะยันแย่ไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบปะความสุขความจเจริญให้ฉะนั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาทำบุญสุนทานมหากระถินวันนี้ขอจงพากันยินดีปลุมใจในบุญผูกศทของตนเพราะเรามีโชคลาบที่ได้จะทำบันเทิงคุณงามความดียอย่างนี้ ให้ยินดีให้เชิญใจให้จิตใจของศสายให้จิตใจเบิกบานในการจะทําบําเพ็ญในเชื่อว่าบุญบาปไม่มีบุญบาปยังมีคนทําดียังได้ดีคนทํำชั่วยังได้ชั่วอย่าไปเชื่อคนพานสันดาอยากอย่าไปเชื่อคนมูอคนบอกให้เชื่พอพระพุทธเจ้าเชื่อผููที่มีภูติปัญญาเชื่อนักกลาดเชื่ออาจารย์ อย่าไปเชี่ยวคนพานคนชั่วเหนือทุกคนสนใจคิดพิจาราอย่างนั้นความเสียเสียต่างๆที่เคยทำมาก็าดีที่ยังไม่ทำก็ดีอย่าไปคิดบัญญิจะทำในความชั่วให้เว้นให้ไกลากี่งความชั่วถ่วกไปเพราะจะให้ผลเป็นทุกข์ามดีสตวนใดจีกวนประกอบกับทำบำเพ็ญถึงใจไม่อยาก คงให้บังคับให้ทําคุณงามความดีหนนนั้นเหมือนกันกับคนไข้ในชอบยาแต่เท่าไร ย, ยานั้นเมื่อทานลงไปจะไขโรคไขให้หายได้ก็ฝูนใจดื่มฝันฝูนใจทานยานันนนั้นจะโรคไขายในกายจะเดืหายไปใจของเราที่ไม่ชอบไม่ยินดีในคุณความดีก็ทางานเดียวกัน ให้ฝ่าศืนมันทำความดีต่อไปความดีที่เราทำไว้จะอำเนืยอวยชัยให้ผลมีความสุขแก่จนของตนในภพนี้และภพหน้าการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอยุติเพียงแ่นี้